แต society, <woo. S 1> ่ผมยังเชื่อว่าเอาเอาว่าแคบแควงแคบแคนะนักเรียนในชั้นเนี้ยโดยมากก็มีความรู้แล้วว่าไอ้ที่มันเกิดอยู่มันมีเหตุมันถึงเกิดมาเนี่ยแล้วก็เออถ้าดับเหตุอันนี้เนี้ยมันก็ไม่เกิดผมว่าทุกคนพอเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นสตา์ททิธีหรืออุเชททิธีก็รู้อย่าว่าเรียนมานานแล้วครับโดยมากถ้าก็ตั้งคำถามว่า ไอ้ที่เกิดอีกอะไรมันเกิดก็ขันท่าก็กินะถ้าถ้าคิดเป็นขันท่ามันก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่ขันท่านี่โดยมากมันเป็นเราใช่ไหมฉันเกิดฉันอ่ะไม่ใช่ขันฉันนะเพราะฉันก็คือคนเดียวกันกับขันท่าใช่ไหมแต่จริงๆมันก็แยกกันไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะคําว่าคนสัตว์เป็นต้นเป็นวูหารที่ไปไปกล่าวถึงขันท่านั้นนะ แต่พื้นฐานของของศัตท์ทั้งหลายทั่วๆไปแล้วไม่เคยแยกแยะเลยหรือหรืออาจจะแยกนะนะแต่แยกไม่หมดนะนะหรือไม่ค่อยได้แยกความจริงแล้วการกล่าวสองคำเนี่ยนะถามว่าโดยยานระดับไหนบอกว่าอุทยพยัญชนะนะที่พูดอยู่นี่นะกำลังพูดอุทยพยัญาย์าอยู่งั้นถ้าหากว่าคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้พิจารณาอุทยพยัญาย์าอะไรเลยเนี่ยนะจะแทบไม่นึกไม่ออกเลยที่กำลังพูดเนี่ยพูดอะไรอยู่ ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงคะก็มาเข้าว่าก็ก็จะเข้าใจไปในลักษณะที่ว่าเราเองนั่นแหละถ้าไปเกิดก็ไปเกิดหรือถ้าเกิดดับนะเราเองนั่นแหละจะดับของตัวเราเองไอ้ตรงนี้เนี่ยสําคัญคือว่าถ้าคิดว่าตัวเราดับเนี่ยนะฮะเอ๊ะถ้าบอกว่าถ้าเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราดับเพราะมันไม่มีอะฮะมีแต่ขันห้าดับแล้วเลขตัวเราแล้วเราอยู่ที่ไหนเราจะไปดับ ไปดับเพื่อใครายไปดับอาไมอะไรเงี้ยมันก็วนกข้ามาตัวจนได้แล้วเราอ่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนคะนี้่ถ้าขันมันดับแล้วเราอ่ะจะอยู่ที่ไหนถ้าขันมันเกิดอีกแล้วเราไปอยู่ตรงไหนวะนี่อนนี้มันก็ก็เป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เพราะพื้นฐานการทํายาตัปริญญาเนี่ยน้อยมากอนนแต่ถ้าผู้ที่เจริญที่เรียกว่าปริญญามามากก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอนะี เช่นที่เห็นเนี่ยแยกออกหมดเลยใช่ไหมว่าองค์ประกอบของการเห็นเนี่ยคืออะไรบ้างได้ยินเนี่ยองค์ประกอบของการได้ยินอ่ะอะไรบ้างที่รู้กลิ่นองค์ประกอบของการรู้กลิ่นคืออะไรบ้างรู้รสองค์ประกอบของการรู้รสเ น, นี่เยเกิดจากอะไรบ้างกายสัมผัสเนี่ยนะตอนเนี้ยอย่างกายเหล่านีเกิดจากอะไรบ้างความคิดอันเนี้เยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างเรียกรวมรวมว่าภาษายตนา6เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นบอ่อแห่งภาษายตนะ อายตนะทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดก็มีนามรูปนั่นะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอายตนะเหล่านี้แล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดนามรูปคืออะไรก็คือวิญญาณวิญญาณล่ะมาจากกรรมทีนี้แล้วมามีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้เป็นปัจจัยให้อะไรนั่นะเป็นปัจจัยแก่ภาษะและเวทนามีภาษะเวทนาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดต่อคือ โดยมากก็ต่อด้วยตัญหาตันหาก็ยึดมากก็ได้อุปาทานเพราะอุปาทานก็กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็เป็นปัจจัยแห่งขันอันต่อไปเนี่ยนะจริงๆก็คือมองว่าขันขันบางอย่างเป็นเหตุขันบางอย่างเป็นเป็นผลที่สืบเนื่องกันไปแต่ผู้ที่มีอโยนิโสมนสัสการก็ไปสำคัญในขันเหล่านั้นว่าเป็นเป็นเราเนี่ยนะพอขันว่าสาคัญว่าเป็นเราแล้ว อันนั้นอนั้นเป็นอุปาทานพออุปาทานเกิดก็ไม่ต้องห่วงนะกายกรรมวจีกรรมเนี่ยสร้างบาลเลยนะเพื่ออะไรเพื่อการปฏิสนธินะับพบใหม่ <c oughs> อันนี้พูดถึงปุตุชนโดยทั่วๆไปนะมีปกติเป็นอย่างนี้ไม่ได้แยกชีวิตเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุอะไร แต่อริยะสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายอันเป็นเหตุถือมั่นไม่มีความยึดมั่นด้วยความตั้งจิตไว้เป็นอนุสัยว่าอัตตาของเราเนี่ยนะอริยะสาวกจะไม่ได้สำคัญว่าเป็นอัตตาอะไรเลยเนี่ยนะย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดย่อมบังเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับอริยะสาวกนั้น มียานอย่างรู้ในเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยดูก่อนกัจจานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะย้อนในครั้งหนึ่งนะว่าความจริงอะ่ะทุกเท่านั้นใช่ไหมที่ที่เกิดขึ้นนี่ยนะท่านไม่ได้สงสัยเลยว่าเออเนี่ยตัวทุกเท่านั้นแหละที่มันได้ปัจจัยแล้วทุกเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นทุกเหล่านี้แหละถ้าหากว่าสิ้นปัจจัยทุกเหล่านั้นจักดับไป ท่านไม่ได้สงสัยเลยนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อใครเลยอะ่ะใช่อุปาทานขันห้าคือทุกอันนี้มันเกิดจากเหตุถ้าดับเหตุขันห้าอันนี้ก็ดับท่านไม่ต้องสงสยัยท่านไม่สงสยัยแล้วก็ไม่ต้องเชื่อใครด้วยว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นคําว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูดตรงๆได้ไหมเพราะจักขู่เท่านั้นที่เกิดขึ้นเก็ไมไม่พูดตรงๆว่าเพราะจักขู่เกิด คือถ้าคําว่าจากัจากคุกจักโหย่างเดียวเนี่ยนะก็แคบอ่ะเพราะคาว่าทุกอันนี้อมอายตนะภายในไว้ทั้งหอย่างเงี้ยนะคือเป็นศัพท์คําว่าทุกเนี่ยอมอายตนะสิบสองอมธาตุสิบปดอมขันห้าไว้หมดแต่ถ้าจะแสดงเพื่อจะแยกอ่า น, นะค่อยๆขยายไปคําว่าทุกนี่คือขันห้าซึ่งประกอบด้วยรูปนะก็ทุกหรือรูปเนี่ยเกิดเพราะเหตุเกิดเนี่ยนะอันนี้คือคือลงมาในรายละเอียดแหละเนี่ยคือ คืออยากจะให้เข้าใจว่าเมือ okay. ม่อทุกเกิดนะฮะเมื่อเม er ื n n n n n ่อเธอเมื่อเธอเพลิอเพลินในทุกนะครับเธอย่อมไม่พ้นไปจากทุกนี่นะก็คำว่าทุกตัวนี้หมายความว่าเมื่อขันห้าเกิดเธอหรือเมื่อเธอเพลิดเพลินในขันห้าเธอย่อมไม่พ้นไปจากทุกอถูกไหมครับคำว่าทุกตัวนี้ก็คือขันห้านั่นเองก็อุปาทานขันห้าทีนี้อุปาทานขันห้าขยายอีกในหนึ่งก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจ คือความจริงอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเกิดความจริงถ้าดับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันดับมันไม่ใช่ใครดับเนี่ยนะแต่ ถ, ถ้าถ้ามันเกิดล่ะถ้าใช้คำว่าเกิดนะท่านไม่ได้บอกว่าจากักระมันเกิดมันเกิดได้ยังไงอนี้นี่พูดแบบคนที่เขารู้เลยนะว่าจากักระนี้เกิดเพราะอะไรเนี่ยหูตาเนี่ยมีเพราะอะไรหูจมูกลิ้นกายเนี่ย หรือความคิดอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดอันนี้คือตัวทุกข์ใช่ไหมตาหูจมูกเล่นกาจายคือตัวทุกข์เพราะมันได้ปัจจัยอะทุกอันนี้จึงเกิดขึ้นอย่างรูปปากาเนี่ยถ้าขาดอาหารเนี่ยนะจะจะเจริญเติบโตได้มาขนาดนี้ไหมก็อาหารนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รูปเหล่านี้เกิดถ้าหมดปัจจัยคืออาหารเป็นต้นแล้วรูปเหล่านี้จะอยู่ไหมหรือทุกข์อันนี้จะอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่นันะอ ก็แปลกที่ว่าพอพูดถึงความเกิดนะครับกับใช้ศัพท์ว่าสมุทัยเนี่ยซึ่งซึ่งตรงเลยใช้คือโดยศัพท์สมุทัยแปลว่าเหตุเกิดนะท่านจะแต่นิยมแปลให้มันเหลือแคบๆลงให้มันเหลือง่า ย, ายๆเกิดดับนี่นะก็อุทยะบวกวยะอุทยะก็เกิดวยะก็เสื่อมนะนะแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาใช้คํานี้เป็นคําที่เขารู้กันแล้วว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยนะ แล้วเราเข้าใจผิดมานานเรานึกว่าไอ้ความเกิดเนี่ยมันเป็นอุปาธอุบัติขึ้นนึกคือจริงๆมันก็อุบัติขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่อยากมันอยากอุบัติมันก็อุบัติโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะนะพูดแบบชาวในโลกเนี่ยเขาอย่างเด็กที่มันเกิดในคันมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันไปเรกอยู่ในคันโดยไม่มีเหตุมีผลแบบชาวโลกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เห็นไก็มีเหตุปัดไอแบบโลกก็เหตุแบบโลกเหตุแบบคําสอนก็แบบคําสอนอะเห็นไหม นี่เป็นความสมบูรณ์ของพยัญช น, นะชนนนาที่ภาษาไทยไม่มีครับไม่มีแล้วเขา้าใจผิดมานานแล้วเลยต่อไปนะว่าดูก่อนกัจจานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลชื่อว่าสัมมาทิฏฐิคือให้รู้ว่าจริงๆอ่ะคือทุ ก, ก่อนนะทุกเท่านั้นแหละเกิดถ้าบังเกิดก็ทุกนั่นแหละเกิดถ้ามันดับทุกเท่านั้นแหละดับไม่มีสัตว์ไปเกิดสัตว์ไปดับไม่มีอัตตาไปเกิดอัตตาไปดับอะไรที่ไหนรอกมาครับดูก่อนกัจจานะ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 เพรตันหาดับอุปาทานจึงดับพระอุปาทานดับภพบจึงดับพระภพดับชาติจึงดับพระชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นั่นเองดูก่อนท่านอนุน ท่านเหล่าใดที่มีการกล่าวสอนอย่างนี้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้อนุเคราะมุ่งประโยชน์กล่าวสอนและพร่ำสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็แลผมเองได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านพระอนุนแล้วก็เข้าใจธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหมดเลยนะ เอาแต่คำถามไม่ได้บอกกันนะแต่คําว่าแจมแจ้งนี่ก็อาจจะ บ, บรรลุไปแล้วก็ได้เป็นได้ที่จับบรรลุเนี่นนนยนะมุ่งประโยชน์ก็คือมุ่งประโยชน์โดยสับนะแปลว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแต่ในที่นี้หมายถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนี่ยนะ คือคําว่าเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายผู้มุ่งประโยชน์ก็คือทําฉ่นไหนเพื่อนจะได้บรรลุมรรคผลนะนะทำยังไงเพื่อนทั้งหลายเนี่ยจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้ธรรมอ่ะเนี่ยแหละก็แค่คนมุ่งประโยชน์เอาเอ า, เอาแบบสูงสุดนะแต่ถ้าแบบค่อยๆไล่ลงมาอีก เขาจะได้ประโยชน์เหล่านั้นเขาต้องมีการฟังใช่มทำอย่างไหนคนเหล่านั้นจึงจะได้ฟังอย่างเงี้ย น, นะก็ค่อยไล่มาเรื่อยๆนะอันท่านนก็คือผู้มุ่งประโยชน์ก็คือสงเคราะห์เป็นผู้กล่าวธรรมะของพระพุทธเจ้าใครในห้องเรานี่ไปเจริญพุทธคุณบทวัสุขตโต บ, บ้างมีไหมของใครใครไปเจริญมาบ้างนะเคยคมีผู้เจริญไหม ในบรรดาพุทธคุณ9้าอรหังหนึ่งสัมมาสัมพุทโธสาวิชาจารณะสัมปันโน 4, สุขโต 5, โลกวิทูหอนุตโรเจ็ริสธรรมสารถิ8เนี่ยนะสาถาเทวมนุษาหสานัง 9, พุทโธ1ิบพัควาในหนึ่งมี10อีกในหนึ่งมี9เนี่ยนะท่านแสดงทั้ง9และ10เนี่ยสุขโตนะ ผู้ที่พิจารณาบทว่าสุขโตเนี่ยจะเห็นพระพุทธศาสนาและจะเข้าใจบทเมื่อกี้ทันทีคําว่าสุขโตนี่โดยศัพท์มีความหมายเยอะเนี่ยนะอันนี้ก็เรียนอุปาทานขันด้วยเรียนพุทธคุณไปด้วยในตัวในที่หนึ่งสุขโตเนี่ยนะไปสู่ที่ดีอันนี้ที่ที่มันดีอ่ะควรจะเป็นที่ไหนที่ไหนดีที่สุดหมายถึงอะไร พระพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ที่ดีก็คือนิพพานล้เนี่ย น, นะข้อ2เป็นไปดีอนะไรผู้ที่ไปดีเนี่ยไปแบบไหนจริงจะเรียกว่าไปแบบเข้าไปแบบไปดีจริงๆริงอนีนนะ่ไปด้วยอะไรจริงจะเรียกว่าไปดีนี น, นะก็ไปด้วยอริยมรรคเนี่ย น, นะใครที่เจริญอริยมครรคคนนั้นอนะไปดีเพราะกายก็ดีวาจาก็ดีจิตดีหมดเลย เนี่ยนะข้อสไปแล้วไม่ย้อนกลับเนี่ยนะคำว่าไปแล้วไม่ย้อนกลับเนี่ยที่แรกตัวไปก็คือไปด้วยมัคใช่ไหมมัคไปจากอะไรไปจากกิเลสเนี่ยนะตัวมัคเนี่ยไปจากกิเลสเพราะมัคที่ไปจากกิเลสไม่ย้อนกลับมาหากิเลสอีกเลยเนี่ยนะทั้ง4ี่มัคผู้ที่ได้มัค เช่นโซดาปฏิมักจะไม่ย้อนกลับมหาสกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีละพรตาปรามมานผู้ที่ได้สกะทาคามีมักจะไม่กลับมาหาการมราคะอย่างหยาปฏิฆะอย่างหยาผู้ที่ได้อนาคามีมักจะไม่กลับมาหาการมราคะและปฏิฆะผู้ที่ได้เป็นผ้าอาหารจะไม่ย้อนกลับมาหาอรูปราคะอรูปราคะมานะอุทะจาวิชาอะไรเลยไม่ย้อนกลับมาหากิเลสเลยส่วนต่อไปนะ เรียกว่าไม่ไปตามส่วนสุดทั้งสองนั่นะไม่ไปตามส่วนสุดทั้งสองส่วนสุดทั้งสองแบ่งเป็นสองกลุ่มน่นะส่วนสุดแบบการปฏิบัติในหนึ่งส่วนสุดอีกในหนึ่งก็คือตัว ส่วนสุดตามการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเป็นปฏิเสธการมัศุขคลิกานุโยคไม่ใช่ไม่ใช่ใชอตตะกิละมัฐานุโยคปฏิเสธนะพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติทั้งการมสุขคลิกานุโยคไม่ได้ปฏิบัติแบบอตตะกิละมัฐานุโยคแต่ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลางคืออริยมรรคทั้งหลายที่กล่าวไปนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติแบบนี้แหละไปดีนะงานปฏิบัติแบบดีอย่างหนึ่งส่วนด้วยอํานาจทิฏฐิพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติแบบสัสถ ะ, ะทิฏฐิเลยไม่ได้ปฏิบัติแบบหรือไม่ได้มีทิฏฐิแบบอุดเฉทิฏฐิเลยไม่ไม่เข้าทั้งสองทิฏฐิเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพวกเที่ยงไม่ใช่พวกศูนย์ ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าพวกที่เที่ยงก็คืออะไรเที่ยงอะไรศูนย์ปกติก็คืออัตราใช่ไหมอัตราหรืออีกศัพท์หนึ่งว่าโลกหรือว่าชีพชีวะเนี่ยนะชีพก็อันนั้นสรีระเนี่ยนะเป็นศัพท์แบบพระไตรปิฎกเลยนะพวกเที่ยงก็คืออาตาัตราและโลกชีวะสรีระนั่นแหละเที่ยงพวกศูนย์ก็อัตราโลกชีวะสรีระนั่นแหละมันศูนย์ น, ยนะนะแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นยังไงเนี่ยนะพระองค์ก็เป็น ส, สายกลางคือกึ่งกึงกลางกลางพวกนี้ใช่ไหมเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างนะแต่พวกนั้นก็เอกจัตสสตะทิฏฐิเองนะบอกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่อันนั้นก็ตะลายอีกอมราวิเขปะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบนั้นนะเอาใหม่นะพระพุทธเจ้าว่าเที่ยงใั่ไหมถัดใครว่าเที่ยงนั้นอุเฉสสตะ ใครว่าไม่เที่ยงอุเฉตใครบอกบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงพวกนี้เอกัจตจสศัตตทิฏฐิบอกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่พวกนี้ปะไหลอมราวิเขปะทิฏฐิสรุปแล้วของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็บอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้อะไรก็รู้ว่าความจริงอะอัตตาและโลกที่คุณว่าไม่มีหรอกความจริงแล้วมีแต่ ทุกทุกอันนั้นอ่ะคืออะไรคืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะอุปาทานขันห้าเมื่อแยกออกไปเนี่ยนะส่วนที่เราติดข้องมากก็เป็นในคือเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าสลายตนะสลายตนะมาจากอะไรมาจากนามรูป นามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอาวิชชาเนี่นยทีนี้มามีตาหูจมูกลิ้นกาใจอย่างนี้แล้วได้อะไรอันนี้สองได้ภาษาใช่ไหมไปภาษะทั่วไปหมดเลยวันนี้ไปภาษาที่ไหนมาบ้างในภาษาไม่ใช่น้อยม า, ายภาษาทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยให้แกเวทนา เวทนาไม่เป็นตัดใ จ, จแก่ตันหาอย่ากล่าวนะวันนี้ถึงไปเจริญกุศลอยู่ก็อย่าบอกว่าภาษันนั้นไม่เป็นตัดใ จ, จแห่งตันหาเป็นหมดนะไม่ต้องห่วงภาษเวทนาทั้งหลายที่ไปรับทั้งวันนี้นะสะสมสเบียงแห่งตันหาไว้เต็มคลังหมดเลยแ ม, ลแม้แต่ภาษที่เป็นกุศลนี่ย น, นะถามว่าอะไรบ้างอะ กุศลจิตที่เกิดขึ้นนะรู้สึกพอใจไหมในกุศลเหล่านั้ น, นนะก็พอใจนะแต่แต่พอใจว่าเออกุศลเหล่านี้เกิดจากปัจจัยนะไม่ได้คิดแตกสำคัญว่ากุศลอ น, นั้นเป็นเป็นของเราด้วยในนะในฐานะกุศลเป็นของเราเพรา ะ, ะนั้นกุศลอั น, นั้นขอให้เรานี่อย่าได้ลำบากด้วยรูปเลยขอให้พรั่งพร้อมด้วยรูปพรั่งพร้อมด้วยเวทนาอะไรนี่ก็ตั้งไป ตันหาก็อุปาทานนะตันหาก็อุปาทานเนี่ยทั่วๆไปแสดงอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็เป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมก็เกิดเกิดก็อะไรเกิดก็กลุมเนี่ยเกิดอีกเนี่นะท่านตามคําสอนเนี่ยไม่ได้ไปเอียงว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัตว์ใช่ไหมพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์ใช่ไหมบอกไม่ใช่บอกทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากองทุกนะ ทุกเหล่านี้เพราะวิชาเกิดนั่นแหละสังขารจึงเกิดเพราะสังขารเกิดเนี่ยนะก ร, รมจึงเกิดบิน ญ, ญาณจึงเกิดเพราะวิญญาณเกิดนามรูปจึงหยั่งลงเนี่ยนะพอนามรูปเจริญเติบโตขึ้นก่อให้เกิดอายตนะเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาก็เกิดเวทนาอย่างตอนนี้อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยนะสเวทนานี้ถือว่าบริบูรณ์ใช่ไหม ก็เป็นปัจจัยแห่งตันหากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อการปฏิสนธิต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บอกว่าเป็นสัตตะหรือเป็นอุเฉตเพราะหลักการแล้วอะตามคําสอนไม่ได้กล่าวว่าเป็นสัตว์หรือเป็นโลกเป็นสัตวะแบบลทัทธิเหล่านั้ น, น, นคิดแต่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะ หรือที่เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่กล่าวว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ความจริงอันนี้ตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไงความจริงที่เกิดจากปัจจัยแต่ว่าไม่มีความเที่ยงไม่มีความมั่นคงไม่มีความถาวลอะไรอยู่ในตัวเลยเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ารู้เหตุเกิดแบบนี้นะละตัวทิฏฐิอันนี้ถ้ารู้ความดับละ ถ้าดับนี่ดับยังไงดับแบบไหมก็ ว, ว่าเดี๋ยวมันก็แดกข้งมันเองเพราะนั้นขึ้นต้นท่านยังบอกว่าเพราะสำรอกอวิชาด้วยอำนาจวิราคะเนี่นะด้วยอรหัตตมรักอะ่ะถ้าวิชาดับความเป็นกรรมทั้งมวลก็ดับถ้าสังขารคือกรรมดับปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่มีก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะ เมื่อปฏิสนธิวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่หยางลงเมื่อนามรูปไม่หยางลงอายตนะก็ไม่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะไม่เกิดขึ้นภาษาก็ไม่กระทบเมื่อไม่มีภาษาก็ไม่เสวยเวทนาเมื่อไม่เสวยเวทนาตัณหาก็ไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดความยึดถือก็ไม่เกิดเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่ก่อให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีการปฏิสนธิเมื่อไม่มีการเกิดนะ ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาทก็ไม่มีความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้นี่นะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เอ็นไปทั้งสัสตะและอุเฉตแต่เป็นไปตามธรรมะสายกลางอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะสายกลางนะอีกศสา์หนึ่งนะเออ ข้างบนเนี่ยคือการปฏิบัติที่เป็นสายกลางตรงนี้เรียกว่าธรรมะสายกลางพระองค์เนี่ยสุขโตเนี่ยไปแบบไม่ใช่ส่วนสุดทั้งที่เป็นตัวการปฏิบัติหรือตัวทิฏฐิเนี่ยนะไม่เข้าไปส่วนสุดอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนเนี่ยนะอันนี้คือสุขโตของพระองค์นเนี่ยนะที่จริงนะฮะ <c oughs> ถ้าเรามาวิเคราะห์ตาดูนะฮะว่า เออตาเนี่เป็นของเราจริงหรือเปล่าเนยแล้วเราเราก็ทําปริญญาไปนะะสมมุติว่าเออตาของเราเนี่ยมันก็มาจากปัจจัยมีมาจากกรรมเอ๊ะกรรมของเราทําไว้นะพอกรรมนะพอจิตตาก็เกิดจากจิตเอ๊ะก็เป็นจิตของเราอีกที่ทําให้เกิดตาเนะี่ยแล้วก็พราะเอออุตุก็ก็ไม่ไม่ใช่ของเราในะอุตุนี่นะเพราะอาหารก็กึง่งๆของเราอาหารของเราหรือว่าอาหาร จะว่าไม่ใช่ของเราก็ไม่เชิงนะอย่างนี้นะคือมันตามไปเสร็จแลพตามไปถึงเรื่องกรรมนะฮะว่าอ่ะเราไปทําปริญญาในกรรมต่อกรำรเป็นของเราจริงหรือเปล่านะฮะพอไปไล่ดูกรรมแล้วกรรมในเจตนาในในในในชาวนะกรรมในชาวนะมาจากปัจจัยก็ไล่ไปว่ามันมาจากปัจจัยได้บ้างหนึ่งมาจากอารมณ์ก็ไล่ไปถึงที่อารมณ์เออชักชเออไ อ, ออารมณ์นี่มันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่จริงๆนะอารมณ์นี่ไม่ใช่ของเราเนะี่ยถ้าสมมติว่านอกตัวนะพอไอ้เจตนานี่มีมีปัจจัยคืออารมณ์แล้วแล้วก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวัตถุเกิดที่เกิดเอ๊่นี่เป็นฐานิยาวัตถุของเราสมัยนั้นหรือเปล่าเนีแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมาเกิดจากไอ้จิตตัวก่อนที่จะถึงไอ้จิตตัวเนี้ยที่เป็นอุปธิยาปัจจัยอะ่ะพอไล่ไปแล้วเอ๊ไอด้ดวนี้มันก็เป็นจิตของเราแต่ก่อนเหมือนกันเนี่ยเนี่ย แล้วก็พอประตูประตูเอ้ยก็ใหม่ใหมเชิงแล้ะตอนนี้นะเช่นตัญหาเอ้ยก็ก้ขอนแคของเราอีกอะตัญหาทําให้เกิดเจตนานี่นะและพอไล่ไปถึงอวิชชาเอยก็อวิชชาของเราอี ก, กอะคือมันอดที่จะเอาของเราเนี่เข้าไปแปะไม่ค่อยน่าได้นี่นะทั้งที่บางอย่างนี่นะครับบางอย่างเราก็โยนิสวมาสิการ์มาเออจริ ง, รงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะเธอ คือการการพิจารณาเนี่ยนะถ้าอย่างที่กล่าวเนี่ยของบางท่านก็ใช้คำว่าของเราเพื่อเน้นในความเป็นไม่ใช่คนอื่นเนี่ยนะเรียกว่าอัชตาธรรมมาเนี่ยนะคือเป็นธรรมะภายในฉั้นการพิจารณาถ้าแยกลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าว่าโดยตรงไม่ใช่เป็นตัวปฏิปักษโดยตรงที่จะละตันหาเนี่ยนะคือของเราเนี่ยตามศัพท์แล้วหมายถึงตัญหา ที่เข้าไปยึดในวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นของเราการไปเห็นในลักษณะนี้ไม่ใช่ตัวตรงๆที่จะละตันหาเพราะอะไรเพราะว่าคิดไปก็ยังยังก็ยังของเราอีกอยู่ดีเนี่ยนะแต่ก็ไม่เด็กไปน่าจะไปแบบทิฏฐิมากกว่าที่ที่ที่ที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยอาไม่ใช่ทิฏฐิ เ, เป็นตันหาเป็นตันหาใช่ห ก็ยังก็ยังเรียกว่ายังมีคือพอพออย่างอย่างที่เข้าใจแบบเมื่อกี้เนี่ยนะก็ไ ม, ไม่ไม่โดยมากไม่ใช่ทิฐินั่นนะถ้าจะเป็นก็เป็นตันหาแต่ก็มีบริวารก็คือม <า S 2> ันะคือคิดนะคิดถูกแล้วว่ามันไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้บางท่านเนี่ยโดยสับเนี่ยอาจจะมุ่งไปที่กรรมสกตาก็ได้เพราะคําว่าเป็นของเราเนี่ยนะซึ่งอาจจะแปลว่าไม่ใช่ของคนอื่นก็ได้นะคือปฏิเสธผู้สร้างฝ่ายอื่นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเฉพาะตัวนะ คือเป็นอัจฉริธรรมเนี่ย